สวัสดีนักศึกษ า, าอาจารย์วิทยาลายัยพยาบาลสภาคาราชิารไทย ท, ทุกท่านก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีนะที่ได้มาร่วมทำประโยชน์ทำบุญในการพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเครียดก็ตั้งใจฟังแล้วก็จะได้นำเอาไปใช้ แก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาจิตใจวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพูดคุยกับลูกหลานลูกหลานของผมลูกหลานของคุณปอลเล่นนาติงเกลราชินีแห่งพยาบาลเทิดาสีขาวก็รู้สึกยินดีที่ได้เห็นหน้า บุคคลที่จะได้เป็นพยาบาลตามประดาดาแล้วเนี่ยพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะดูแลรักษาคนไข้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจพยาบาลไม่ใช่รักษาเฉพาะร่างกายอย่างเดียวนะต้องรักษาทางด้านจิตใจคนไข้ด้วยเพราะคนไข้เนี่ยเวลา เขาป่วยไข้ไม่สบายเขาก็จะมีอาการทางด้านจิตใจด้วยรู้สึกอาการทางด้านจิตใจจะรุนแรงกว่าร่างกายโดยซ้ําไปคนณไข่าบางคนเนี่ยป่วยเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแต่จิตใจเนี่ยมีความป่วยมากกว่าร่างกายผู้ที่เป็นบุลคลากรทางด้านพยาบาลจะต้องดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจถ้าหากว่า นักศึกษาพยาบาลทำหน้าที่ดูแลพยาบาลคนไข้แต่ว่าพยาบาลมีจิตใจที่เครียดเองเนี่ยก็ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดปัญหาได้คนดูแลคนรักษากลับกลายเป็นเครียดเป็นทุกข์นอนไม่หลับหน้าตาเศร้าหมองคนไข้ตอนแรกทำท่าจะหายนะเป็นหน้าตาพยาบาลไม่เงิ้บแจ่มใสเนี่ยก็ ทำท้าจะตายเหมือนกันนะถ้าเราเดินไปเห็นคนไข้หน้าตายิ้นแย้แจ่มใสของเราเนี่ยมันสามารถสะกดจิตใจคนไข้เนี่ยจากคนไข้ใกล้าตายกลับหายฟื้นคืนเป็นปกติก็ได้นะเนี่ยเพราะนั้นเป็นปัจจัยสำคัญวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอวิธีการจัดการกับความเครียดไม่รู้ว่าฟังแล้ว จะคลายเครียดหรือจะเพิ่มความเครียดกันไหมครัความเครียดคืออะไรความเครียดคือความผิดปกติทางด้านจิตใจอันนี้ไม่ถึงเครียดทางด้านจิตใจนะที่จริงความเครียดมีสองอย่างนะมีเครียดทางด้านร่างกายกับจิตใจเครียดทางกายเนี่ยสาเหตุก็อาจจะว่าเราทํางานมากเกินไปไม่ได้พักผ่อนหรือมีโรคภัยไข้เจ็บ อยู่ในย e า e บทเดิมนา น, น, านๆก็ทำให้ร่างกายเครียดเครียดทางกายเนี่ยรักษาได้ง่ายมากพักผ่อนนอนใช่ไมันก็หายเครียดโรค บ, บางอย่างไม่ต้องรักษาและแค่นอนอย่างเดียวมันก็หายได้เหมือนกันนั้นร่างกายหายเครียดโดยการพักผ่อนแต่ส่วนจิตใจจิตใจนี่เครียดเพราะว่ามีความคิดฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่าน อยากได้มากเกินไปใจก็เครียดนะอยากไปเที่ยวอยากไปดูอยากไปกินอยากไปฟังอยากมีความรักแล่วก็ทำให้จิตใจเครียดเหมือนกันหรือมีความโกรธมีความอึดอัดกัดเกรียงวิตกกังวลมีความกลัวบางทีกลัวอะไรก็ไม่รู้นะแต่กลัวไ้ก่อนเนี่ยเคยไหมบังทีหาไปหความกลัวไม่ได้ความกลัวก็ทำให้จิตใจเราเครียดเหมือนกัน หรือใช้ความคิดมากเกินไปใช้ความคิดมากเกินไปโดยเพราะความคิดฟุ้งร้างความคิดฟุ้งร้างคือความคิดที่ไม่เป็นระเบียบคิดไม่เป็นระเบียบเรื่องนู้นทีเรื่องนี้ทีตับสนหรือมีความสงสัยความสงสัยทําให้เกิดจิตใจมันเครียดเหมือนกันความเครียดทางจิตเกิดจากความคิดเครียดทางจิตใจเนี่ยอาจจะเกิด มาจากสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาทางด้านชีวิตปัญหาชีวิตทําให้จิตต้งคิดฟุ้งซ่านก็เกิดความเครียดเหมือนกันปัญหาเรื่องการเรียนหนังสือกลัวจะเรียนไม่ผ่านไปสอบแล้วหนังสือก็ยังไม่ได้ดูดูแล้วก็ไม่เข้าใจกลัวสอบตกกลัวสอบไม่ผ่านนี่ก็เกิดความเครียดคือมีความกลัวนี่เป็นปัญหาชีวิต เมื่อร่างกายจะเข ก, ก็ได้ป่วยใจก็เครียด ร, ร่างกายไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาผอมเกินไปบ้างอ้วนเกินไปบ้างตัวต่ำเกินไปคอยาวเกินไปผมมันหยิกไม่ยอมเหยียดสุขภาพด้านร่างกายหรือปัญห า, าร่างกายเนี่ยมันทําให้ใจรเราเครียดถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่กับมันหรืออย่างหนึ่งก็คือ การมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเนี่ยสําคัญนะคนที่มีความเครียดเนี่ยาถามๆไปแล้วไม่มีแตเรื่องเดียวมองโลกในแง่ร้ายเกินไปไอนี่ก็ทําไม่ได้เกิดปัญหาก็มีแต่เรื่องยุ่งยากมองตัวนูนก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ชอบมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ร้ายจิตใจมันก็ร้ายทําให้ใจเราเครียดไม่สงบสุข นั้นความเครียดเกิดจากความคิดที่มันปุ้งซ่านไม่เป็นระเบียบพวกเรามีไหมอาการแบบนี้หลายใครกโกหกว่ไม่มีบ้างมีทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราจะควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นไซตของความเครียดเกิดจากความคิดอาจจะมาจากปัญหาชีวิตหรือการมองโลกในแงน่ร้ายทีนี้จะมาแนะนําวิธีการ เอาชนะความเครียดด้วยตัวของเราเองเอาสักสาวมวิธีง่ายๆจริงๆมีมากกว่านี้นะเอาแค่สาวมวิธีพอจดเวนะเดี๋ยวออกข้อสอบด้วยสาวมวิธีนี้เนี่ยเคยได้นำเอามาใช้ให้กับตัวเองเป็นประสบการณ์สมววิธีที่ง่ายๆเริ่มจากวิธีง่ายไปหาง่ายแล้วว่ามันมีการยากกว่านี้ทุกคนทาได้ วิธีที่หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีแบบธรรมดาวิธีคลายเครียดวิธีแรกคือธรรมดาแบบธรรมดาแบบธรรมชาติไม่ต้องมาฟังวันนี้ไม่ต้องมาสอนกับวันนี้ก็สามารถทำได้ก็คือการคลายเครียดด้วยการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสถานที่เราเครียดอยู่ตรงนี้รู้สึกเครียดเราก็ลุกเดินออกไปที่อื่นซะหายละ <c oughs> เปลี่ยนสถานที่เดินเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำไปเปิดหน้าต่า ง, างมองดูท้องฟ้ามองดูต้นไม้มองดูนกนี่ก็คลายเคยรียดคือเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยหรืออาจจะใช้วิธีการไปดูหนังก็คลายเคยรียดได้หนังที่ไม่เพิ่มความเครียดนะหนังตลกเห็นหมก็มีทีวีตอนบ่ายคลายเครียด แต่พอหลังบายแล้วเครียดต่อมันแก้ได้ชั่วคราวแต่ก็ยังดีนะดีกว่ามานั่งเครียดไปดูหนังไปฟังเพลงหรือฟังสิ่งที่เราชอบใจไปร้องเพลงไปกินของอร่อยๆอมันก็คลายเครียดนะบางคนเนี่ยเวลาเครียดขึ้นมาเนี่ยทำอะไรมะกินขนมหวานเครียดทีไรกินขนมหวานทุกทีอย่างนี้ก็อยากเครียดบ่อยๆเนาะ เคเรากินขนมหวานแล้วผลเป็นยังไงอ้วนหรือรบางทีเราอาจจะช้อปปิ้งขายเพียรได้นะเอะช้อปปิง้งไม่มีเงินก็ได้นะเราไม่มีเงินซื้อของก็ดูสินค้าอันนี้เป็นงานคาเฟ่แบบสบายๆที่เขาก็ทำเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องมีความรู้ก็ทําได้เด็กก็ทําได้เพียร์ก็ทําได้ไปช้อปปิง้งไปเล่นกีฬา ผ่อนคลายในการเล่นกีฬาเล่นกีฬานี่มีประโยชน์มากบางทีอาการเครียดทั้งร่างกายเนี่ยการเล่นกีฬาก็ช่วยให้คลายเครียดทางกายได้กีฬาบางอย่างเนี่ก็ผ่อนคลายแล้วก็จิตใจเนี่ยมาสนใจกับกีฬามันก็เพลิดเพลินแล้วก็ลืมลืมความเครียดไปช่วงขณะหนึ่งที่เล่นกีฬาการเล่นกีฬาการออกกําลังกายเต้นแอโรบิกลัมไทยเก็กทําโยคะ อนนี้ช่วยได้และที่สำคัญคืออยากจะเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์มากเป็นวิธีคลายเครียดแบบสร้างสรรค์จิตของเราคือการฝึกที่จะเป็นผู้ให้ฝึกที่จะเป็นผู้ให้คือทำประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยจิตที่มันเครียดมันทุกข์มันฟุ้งซ่านเนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้คิดจะให้ก็ซะ ให้การช่วยเหลือให้โอกาสให้อภัยอันนี้ก็สามารถคลายเครียดได้ดีๆนะจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันเป็นจิตที่มีความสุขกว่าจิตใจที่คิดอยากจะได้ของเขาทุกคนจะอยู่ตรงนี้จะทำให้รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ให้ยิ่งที่ทำประโยชน์กับส่วนรวมประโยชน์กับสาธารณชนเนี่ยเราเห็นตัวเรานี่มีคุณค่าในการทาสิ่งนั้น เราจะมีความสุขกับการกระทําของเราจะมีความภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวของเราที่มีประโยชน์ทําประโยชน์คนอื่นได้เพราะเรื่องเล่าก่อนว่ามีผู้หญิงเป็นสาวและ อ, อกหักรักหายมีความทุกข์มีความเครียดมากอยากฆ่าตัวตายที่จะไปฆ่าตัวตายก็มีท่านผู้รู้แนะนําว่าให้ไปทําประโยชน์ให้ไปทําประโยชน์ ทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นพอเริ่มทําประโยชน์คนอื่นได้ปั๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าภูมิใจไม่อยากตายแล้วเห็นว่าตัวเองนี่มันมีคุณค่าเห็นไหมพวกเราถ้าหากว่าเกิดความท้อแท้น้อยใจหมดกําลังใจในการใช้ชีวิตอย่าเพิ่งไปฆ่าตัวตายอย่าไปเศร้าลองคิดทําประโยชน์ให้คนอื่นดูบ้างทำประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราก็พลอยได้รับประโยชน์ด้วยคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นมีความสุข เราก็พลอยจะมีความสุขคู่กันไปอันเนี้ยอยากใจ้พวกเราเนียได้นำมาไปใช้เวลาเกิดความเครียดความทุกข์ความก็ทาปรนะโยชน์ซะเราจะรู้สึกว่าเราเนี้ยสบายใจขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีแรกๆซึ่งเราสามารถทำได้เลยนะทุกวันเนี้ยก็ทำแบบนี้อยู่แล้วคือกายกายเครียดโดยวิธีธรรมชาติธรรมดาอันนี้วิธีที่สองนี่ก็ง่ายเหมือนกัน วิธีสองนี่คลายเครียดโดยการฝึกคิดในสิ่งที่ทำให้เราสบายใจฝึกคิดในสิ่งที่ทำให้เราสบายใจความเครียดเกิดขึ้นที่จิตใจจิตใจคิดมองโลกในแง่ร้ายก็เปลี่ยนฝึกคิดมองโลกในแง่ดีในแง่บวกเราจะรู้สึกสบายใจคิดให้มันมีความหวังให้มีกำลังใจสมัยนี้นี่ ถ้าไปคิดเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นไงผ่อนคลายไหมเรื่องการเมืองเป็นเรื่องโทสะเนเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องทำให้เราต้องเครียดอะ่ะบางคนต้องปิดเลยนะทีวีดูไม่ได้เลยนะยิ่งดูยิ่งเครียดนะแต่ถ้าเราไปคิดเปลี่ยนมาคิดเรื่องหมีแพนดา้าโอ้มันสบายใจกว่าคิดถึงหมีแพนดา้าไม่เคยทําร้ายจิตใจใครนะ เราต้องรู้จักหยุดคิดในสิ่งทําให้จิตมันเศ้าหมองนะเปลี่ยนมาคิดในสิ่งที่ทำให้เราสบายใจเรื่องไหนที่เราคิดแล้วสบายใจก็คิดได้มันเป็นการช่วยโดยวิธีคิดการสวดมนต์ก็สามารถคลายเครียดได้ทางด้านจิตใจการสวดมนต์ก็คือการคิดนะใครนัถือศาสนาไหนสวดมนต์ในศาสนาของเราสวดเลยเราชอบบทไหนเอามาสวด ยิ่งตรวจยาวใจเรายิ่งไม่เคลือดสบายผ่อนกลายการฝึกแผ่เมตตาปรัถนาดีกับคนอื่นอยากให้คนอื่นมีสุขอยากให้คนอื่นพ้นทุกข์การฝึกคิดแผ่เมตตาเนี่ยทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นบุญกุศลได้ตำไปบุญคือความสุขถ้าคิดเรื่องบุญแล้วก็ใจเราจะมีความสุขถ้ า, าว่าเราคิดให้เป็นนะ ความเครียดเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายไปได้มากเลยมันจะหายไปเลยนะแม้ว่าชั่วคราวก็ยังดีดีกว่าปล่อยใจหมกบุนไปเรื่องความเครียดต่างๆแค่เปลี่ยนวิธีคิดมองโลกในแง่ดีในแง่บวกซะใจเราก็ดีแต่วิธีนี้นี่ขอเตือนหน่อยว่าอย่ามองโลกในแง่ดีมากเกินไปมันทำให้เราประมาทมันประมาทอย่างไร คือถ้าเรามองมันโลกใ น, นแง่ดีแล้วเรามันจบไม่ยอมแก้ไขเลยแต่สมมติว่าหนูเป็นนักศึกษาเนี่ยเข้าห้องสอบแล้วเกิดสอบตกไม่ผ่านสอบตกคนที่สอบตกแล้วนั่งเครียดนี่มีเยอะนะสมัยเกิดงั้นจะเป็นทุกข์้าอมองแต่ถ้าเราฝึกคิดเปลี่ยนว่าเออสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาเรียนไปไร่ค่า ตายแล้วลืมหมดมันก็ช่วยใจได้ขนาดหนึ่ง น, น, นะเอ อ, อย่างมันตกไปแล้วจะทํายังไงอ่ะมันต้องทําใจดีดีแล้วไอ้ที่เราสอบตกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้ความรู้เรามีแต่ก็สอบอาจจะออกแบบไม่ตรงความรู้ของเราก็ได้ไม่ใช่ว่าเราโงา่ข้อสอบอาจจะสอบไม่ตรงความรู้ของเราจะโทษเราโง่ได้ยังไง เรียนหลายหครั้งก็ดีซ้ําั้นก็ดีแล้วเราจะเรียนอย่างละเอียดเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรียนอย่างละเอียดเห็นไหมคนเรียนครั้งเดียวจบไปแล้วบางทีหางานทําไม่ได้คนเรียนซ้ําได้หลายครั้งเนี่มันทีหงานทําได้มองในแง่นี้บ้างก็ได้ในไหนมันตกแล้วเนี่ยก็รู้จักแก้ปัญหาจิตใจเราแก้ใจเราก่อนเราไปทุกไปเกลียดเด็ดไม่มีประโยชน์อะไรเราเครียดขึ้นมาเนี่ยก็ทําข้อสอบ ไปแล้วก็จะแก้ไขไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ล่ายมันผ่านไปล้วก็ค่อยแก้ขไขใหม่แต่ถ้าเราคิดว่าเออมันตกแล้วก็แล้วไปแล้วก็ไม่เคยสนใจกับหนังสือเลยสอบกี่ครั้งก็ตกอยู่นั่นแหละครั้งที่สอบเขาหลีทัยเชิญไปเรียนที่บ้านนี่เพราะมองโลกในแง่ดีเกินไปจนเกิดความตมามัาต้องแก้ไขเมื่อร่างกายจะค่อยได้ป่วยไม่เป็นไรแล้วปว่วยนี่มันก็หาย แต่ก็ต้องคิดรักษาต้องแก้ไขอย่าประมาทบางทีปวดแค่นิดเดียวนะปวยแค่แนิดเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลรักษาแล้วก็บางทีมันลุกลามมากเกินไปอาจจะแก้ไขไม่ได้คือเราประมาทเราประมาทงนั้นการหมอโรคในแง่ดีเกินไปก็ทำให้เกิดความประมาทเมื่อหมอโรคในแง่ดีเพื่อรักษาจิตใจไม่ให้มันตกต่ําไปกันเดิมรักษาสถานาการณ์ด้านจิตใจไว้ก่อนแล้วก็แก้ไข อันเนี้ยเป็นประโยชน์อันเนี้ยสองวิธีเลยนะวิธีสามอันนี้ก็ง่ายวิธีคลายเคยรียดด้วยการขยับกายใจรู้ทันวิธีนี้นไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องไปไหนเลยเป็นการแก้ปัญหาด้วยเด็ดขาดเลยเนะี่ยวิธีที่สามเนะี่ยวิธีขยับกายใจรู้ทัน ไม่ต้องไปไหนอยู่ที่ไหนก็คลายเครียดได้ไม่ต้องใช้ความคิดแค่เพียงรู้ทันกายที่มันขยับเคลื่อนไหวไปมาเอาใจมารู้กายซะชีวิตเรานี่มีองค์ประกอบสองส่วนดนกันคือส่วนของกายที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งเห็นเนี่ยคือส่วนของกายสัมผัสได้มองเห็นส่วนของกายมีทุกคนอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของจิตใจ ส่วนของจิตไม่มีตัวตนมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่ว่ารู้สึกได้ความรู้สึกเนะี่ยที่เรามีความรู้สึกเนะ่คือจิตใจรู้สึกเห็นทางตารู้สึกได้ยินทางหูในะจิตใจรู้สึกนึกคิดกินอาหารรู้สึกอร่อยอยู่ในห้องเวลามีความเย็นมากระทบรู้สึกเย็น ความรู้สึกน่แหละคลือจิตใจไหนใครไม่มีความรู้สึกบ้างดีนะเราก็เข้าฌานไปแล้วละ่อละอะไรคนไม่มีความรู้สึกนั่งเชยแต่ใจอยู่ไหนก็ไม่้ไม่ได้ว่าอะไรนะดีแล้วดีแล้วได้หลับพักผ่อนการปล่อยใจใเรียนลอยแต่กายนั่งอยู่นี่ใจลอยอันนั้นไม่มีความรู้สึกตัว เพราจิตใจเลื่อนลอยถ้าจะเทียบแล้วเมื่ออยา่างกับสร่างศพสรางศพมีความรู้สึกตัวไหมสร่างศพมีกายไหมมีกายแต่ไม่มีใจเรียกว่ามีร่างกายที่ไร้วิญญาณเพราะนั่งคนที่นั่งอยู่แล้วใจลอยแสดงว่าจิตใจไม่มีแล้วเลื่อนลอยไปไม่รู้สึกตัวไม่เป็นไรนะ่เป็นธรรมดาบางครั้งมันก็ลอยบ้าง แต่อย่าลอยไปไกลเดี๋ยวมจะกลับหากายไม่ถูกจิตใจที่เริ่ลอยไปเขาเรียกว่าจิตที่เป็นสัมภเวสีผีสับสนหาที่เกิดไม่ได้ทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ทั้งกายและใจถ้าใจเรื่ดลอยเรามีแต่แค่ส่วนกายส่วนร่างกายเท่านั้นเองงนั้นเวลามีการขยับกายใจรู้ทันแปล ว, ว่าจิตกับกาย จิตกับกายนี่คือตัวเดียวกันจิตกับกายเนี่ยอาศัยดิกันจิตก็ดีกายก็ดีวิญญาณก็ดีมันโก็ดีคือคำคำเดียวกันความหมายเดียวกันคือความรู้สึกซึ่งมีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่เรามากักงจะไม่ค่อยมีความรู้สึกเราไม่เคยมารู้สึกตัวเลยว่าเรากลาลังนั่งอยู่เราไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวว่าเรากลาลังเดินกาลังยืนกำลังนอน ่อนนอนเราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังนอนแต่จิตใจเรื่อยลอยเอามาคิดทำไมจึงไม่มีความรู้สึกตัวเพราะาจิตมัวหลงไปคิดคิดคิดจนลืมเนื้อลงตัวใั่ไังการฝึกคลายเครียดโดยการขยับ ก, กายใจรุทันเนี่ยมันแก้ปัญหาความเครียดที่เกิดจากความคิดได้ดีมากามเขาได้เป็นการละลายพฤติกรรมของจิตที่ชอบคิดฟุงสร้าง ด้วยการขยับกายใจรู้ทันรู้จักจิตใจเราไหม <c oughs> รู้จักจิตเราหรื อ, อยังไหนใครไม่มีจิตมีร้ายคนไหนไม่มีจิตหรือบางคนสงสัยเรามีจิตหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองฝึกฝึกวิธีการขยับกายใจรู้ทันเพื่อละลายพฤติกรรมของจิตเพื่อ ค, คลายเครียดอ่าทุกท่านลองลุกขึ้นยืน ขยับ ก, กายแล้วนะอะใจต้องรู้ทาอนี่กําลังละลายพฤติกรรมของจิตที่กาลังง่วงรู้สึกไหมว่าเรากําลังยืนถ้าเรารู้สึกว่าเรากําลังยืนเนี่ยแสดงว่าเรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวล้วเราไม่ค่อยได้รู้สึกอเรานืกก่องายืนเราก็ยืนบางทีลืมแปลว่าเรายืน <c oughs> อบางคนสงสยัยอ้านั่งใหม่นั่งใหมา่มาผงสยัยมันรู้สึกตัว ย, ยังไงตอนยืน รู้สึกแม้ว่ากําลังนั่งอ่ะไหนลองยืนดีๆดูนะว่าง่ายๆเลยก็คุยกันได้หน่อยอ่ะจะสอนพิธีการขยับกายใจรู้ทันเอามือไปตามปกติตอนนี้มือไม่ใช้จะว่าไหนก็ไดนะ้อสบายๆนะยืนแบบปล่อนคลายให้รู้ตัวว่าเรากําลังยืน อ, อลองก้มหน้าด้วยความรู้สึกตัวสิรู้สึก เงยหน้าให้รู้ใจรู้นะขยับกายก้มหน้ารู้เงยหน้าก็รู้ก้มหน้าก็รู้เงยหน้าก็รู้หันไปทางซ้ายก็รู้ว่าตารางหันไป หันมาทางขวาให้รู้ทางซ้ายให้รู้สึกทางขวาให้รู้สึกไหนลองหมุนคออย่างรู้สึกตัวช้าๆให้รู้สึกไหนลองหันหน้ามาทำตาโตๆให้รู้สึกตัวสิเอาล่ะรู้สึกกลัวละรู้สึกค่อยๆนั่งลงอย่างรู้สึกตัวใช่ไ่มอันนี้เป็นวิธีการ ขยับกายใจรู้ทันเพื่อละลายพฤติกรรมทนานจิตใจตอนนี้สำคัญอยู่ที่ว่าเวลากายเราเคลื่อนไหวไปไหนเนี่ยจิตเราเนี่ยต้องคอยรู้สึกว่ามันกำลังเคลื่อนไหวอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นการรักษาจิตให้เป็นปกติแม่มันคิดฟุ้งซ่านไปไหนอันนี้ซูเป็นประโยชน์นะนี่ ง, ง่ายๆเดี๋ยวต่อไปจะให้เรามา ขยับกายใจรู้ทันอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของมืออันนี้มีการเคลื่อนไหวเป็นขณะขณะขณะและก็รู้เป็นขณะขณะขณะเป็นการปึกกายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้พอมือสองข้างวางไว้ที่ด้านบนกันนะเหยียดมือออกนะเหยียดมือออก ทำตัวสบายๆอย่าเกร็งอย่าเลื่มทําให้ร่างกายมันเครียดไม่ได้่อกว่าต้องเครียดก่อนแล้วก็่ําให้ทําแบบผ่อนคลายแม้มีการเคลื่อนไหวก็เคลื่อนแบบผ่อนคลายอย่าให้เกร็งทําสบายๆแบบผ่อนคลายไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องหลับตาใช้เพียงแค่เวลากายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้ให้เป็นขณะขณะไหนลอง พลิกมือขวาในท่าตะแคงตะแคงไว้รู้สึกที่มันเคลื่อนไหวนะยกมือขวาขึ้นมาขึ้นตัวเนี่ยมือมันเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะเอามือขวามาไว้ที่สะดือเราที่ท้องเราก็ได้ให้รู้สึกนะพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงใจรู้ ยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวรู้อามือซ้ายตบไปที่มือขวาใจรู้นะเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกพามือขวาอามาด้านข้างรู้สึกลดมือขวาลงมาที่ตั้งข้างในทสาะแทงคว้ า, า, า, า, วา ม, มือขวาลงอย่ากเกร็ง น, นะทำสบาย เลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หนะ้าอกเหยียดนิ้ว อ, ออกนะเอามือซ้ายมาด้านข้าลดมือซ้ายลงมาตะแคง ว, วาคว้ามือซ้ายลงพลิกมือขวาตะแคงรู้เนี่ยยกขึ้นมาขึ้นตัวใจรู้เอามือขว า, ามาไว้ที่ตะดือให้รู้ พกมือซ้ายในท่าตะแคงรู้สึกนะเอามือซ้ายมาทลิงตัวเอามือซ้ายท้าไปที่มือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกเอามือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาตะแคงวายตะแคงวาให้รู้ว่ามือขวาลง เลื่มือซ้ายมาที่หนะ้าอกเอามือซ้ายมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาทะแคงวาให้รู้สึกลองทำต่อไปซิลองทำเดี๋วไปนะพลิกมือขวายกขึ้นมาให้รู้สึกนะเวลามือมันเคลื่อนแล้วใจก็รู้ทําเลยไม่ต้องทําเพราะกับใครทําเลยเนี่ย เลื่อนไปใจรู้เวลาเคลื่อนให้ใจรู้เวลาหยุดก็รู้จิตใจอยู่กันเนี้ยกับตัวอย่าไปสนใจอย่าไปคิดอะไรให้เคลื่อนแล้วก็รู้สึกสองอย่างพอกายเคลื่อนใจรู้ไม่ต้องใช้ความคิดใช้ความรู้สึกเข้าไปสัมผัสว่ามันกําลังเคลื่อนแล้วใจก็รู้ รู้เป็นขณะเคลื่อนเป็นจังหวะจังหวะรู้เป็นขณะขณะอย่าไปเพ่งมันนะรู้แบบสบายสบายเคลื่อนไหวแบบสบายสบายแบบคลายคลายแบบผ่อนคลายเหมือนทําเล่นเล่นสนุกสนุกรู้สึกที่กายกําลังเคลื่อนไหวรู้แบบผ่อนคลายแบบสบายสบายเดีย๋ยวเพิ่งไปคิดเอาความรู้สึกก่อนวิธีนี้เป็นวิธีละลายความคิด แต่ว่ามีความรู้สึกตัวเข้ามาแทนที่ให้รู้ตัวนะเวลามือมันเคลื่อนให้รู้ตัวว่ามันกำลังเคลื่อนรักษาที่อยู่ปัจจุบันเข้าไว้ปัจจุบันที่กำลังเคลื่อนไหวถ้ามันเมื่อยก็ขยับตัวได้ไม่เป็นไรขยับตัวสายตาอย่าไปเกรงนะกับพิษตามันก็นะี่อย่าไปเกรงเนี่ยมันจะเครียดเคลื่อนเมื่อไหร่ก็ให้รู้สึก อันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติให้รู้สึกตัวนะว่ามือกําลังเคลื่อนไหวเอาละขอบคุณครับไหนใครไม่รู้สึกตัวบ้างตัวครั้งที่มือเคลื่อนเรารู้ยกก็รู้สึกเคลื่อนเป็นขณะรู้เป็นจังหวะเคลื่อนเป็นจังหวะรู้สึกรู้รู้เคลื่อนเป็นจังหวะจะวังหวะให้รู้เป็นขณะขณะไป จิตมันจะไม่หนีไปไหนมันจะแค่อยู่ที่การเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่ว่าไปบังคับหรือไปควบคุมอะไรมาเกิดแบงจะทาให้เราเครียดเพราะจิตเราเนี่ยมันชอบคิดเราเปลี่ยนมารู้สึกนะเปลี่ยนมารู้สึกนะพอมารู้สึกไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปยุ่งกับความคิดมารู้สึกเนี่ยจิตมันจะผ่อนคลายตรงนี้แต่ว่าที่ไม่ผ่อนคลายเพราะเราไปเพ่งเราไปตั้งใจเกินไปมันทําให้ใจเราต้องเครียด ไหนใครทําแล้วไม่รู้สึกตัวบ้างมีไหมน้ำเอาไปใช้นะวิธีเนี้ยอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆก็ลองเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกอย่างเงี้ยทาให้เราเรียนเก่งเพราะาอะไรเพราะแทนที่จิตจะไปคิดฟุ้สร้างเรื่องอดีตอนาคตแต่กลับมารู้สึกกับปัจจุบันเนี่ยคนที่มีจิตใจอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยคนเนี้จะสามารถจําบทเรียนได้ดีมากมันจะเรียนเก่งในตอนที่เราอยู่กับปัจจุบันจิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันทําให้จิตเนี้ยมันเปิดกว้างที่จะรับ รับสิ่งไหนก็ได้ที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาอันนี้เรายังไม่เจอต้นตอของปัญหานะเรายังไม่เจอความคิดทีนี้จะให้รึกอีกแบบหนึ่งว่าลองมาสังเกตให้รู้ทันจิตใจที่มันคิดให้เอาจิตของเราเอาใจของเราเนี่ยรู้อารมณ์ที่มันคิดรู้ความคิดมั้งนะใครไม่รู้จักความคิดบ้างไหนใครไม่เคยคิดเลยว่าวันวันนึง ไอ้ความคิดเนี่ยคือตัวปัญหาต่า ง, างๆใช่ไหมเริ่มต้นปัญหาคือความคิดแต่ละการทําความดีก็เริ่มจากความคิดอีกเหมือนกันการทําให้จิตใจเราไม่ดีก็เริ่มจากความคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นดาบสองคมทําให้เราเป็นสุขก็ได้ทําให้เราเป็นทุกข์ก็ได้เพียงคําเดียวเท่านั้นทําให้ตัวเราเป็นทุกข์ตลอดชีวิตเลยก็ได้เพียงคําเดียวเท่านั้น ทำให้เราไปตกไปเลยก็ได้ เ, เช่นคำว่าแ yeah ย่จิตใจเป็นยังไงคำเดียวนะแย yeah ่ใจมันก็แ yeah ย่จิตใจตกต่ำอะไรก็ไม่อยากทำ ท, ท้อท้มือตกคอตกทำหน้างอคอหักเหมือนต้นนารับปลาทูสมุสาคร <laughs> คำว่าแ yeah ย่คำเดียวนะทำให้ทให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองไปเลยแต่เปลี่ยนเป็นว่าเยี่ยม <laughs> เยี่ยมคําเดียวทําให้เรากระตือหรือลน้นนั้นสองคำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนจิตใจหรือองนั้นเราจะใช้คําไหนแต่ที่สำคัญก็คือการถ้าเรารู้เท่าทันจิตที่มันเยี่ยมหรือมันแย่มันคิ ด, ดว่ามันเยี่ยมหรือมันแย่เนี่ยจะเหนือกว่าเหนือกว่าคําว่าแย่หรือคําว่าเยี่ยมจิตมันผ่อนคลายไปเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไปเลยเราจะให้ฝึกวิธีการสังเกต ให้มันรู้ทันความคิดในตัวเราแล้วเราจะจับตัวปัญหาที่ทำให้เราเกิดปัญหาได้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดได้กลอยตรงที่รู้ทันจิตใจที่มันคิดนึกแต่อยู่ดีให้มันคิดมาเลยเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจคิดก็ไม่ใช่ถ้าตั้งใจคิดแปลว่าเราอยู่ในความคิดเรียบร้อยแล้วเราจะไม่เห็นมันจะไม่รู้จักมันเพราะเรามัวแต่คิดแต่ถ้าเราสังเกต ให้รู้ทันความคิดเมื่อไหร่แล้วก็นี่เราออกมานอกความคิดแล้วไม่ได้อยู่ในความคิดแล้วลองเอามือขวามือเดียวนะมือขวามือเดียวอย่าตั้งใจคิดอย่าเป็นสนใจความคิดให้ขยับมือหงายมือคว่ําแล้วก็รู้สึกรู้สึกที่มือกําลังหงายนะรู้มือมันคว่ำรู้มือมันหงายรู้ลองซิลองทําแบบเล่นๆแบบผ่อนคลาย อย่าเพิ่งไปคิดอะไรเราทํำดูสิแล้วคอยสังเกตว่าใจมันคิดไหมสังเกตว่าใจมันคิดนะสังเกตความคิดที่มันปรุงแต่งดูซิว่าภายในสามสิบวินาทีเราคิดกี่ครั้ง <c oughs> อันนี้เป็นเกมเกมหนึ่งนะเนีย่ยเป็นการรู้เท่าทันความคิดเราลองทําดูสิอาติมตัวอเต็มตั ว, เ ร, ตวเริ่มเครียดแล้ค <c oughs> ายป่อนคลาย หลอกให้มันคิดขึ้นมาแต่ตั้งใจคิดนะล่อโดยการเอาการเคลื่อนไหวเนี่ยรู้รู้สึกรู้สึกอันนี้ยล่อให้มันคิดขึ้นมาให้มันคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดให้มันคิดมาเองโดยเราไม่ต้องตั้งใจคิดเราจจับตัวจะดูเท่าทันเท่าทันจิตใจที่มันคิดขึ้นมาเป็นตัวนะอ้าวเริ่มลองลิกมือต้อสามสิบวินาทีสังเกตดูเราคิดกี่ครั้ง จะไปตั้งใจบังคับนะทำแบบคล้ายๆอ่ะพอแล้วอไหนใครไม่คิดเลยบ้างโอ้เยี่ยมมากเลยไหนใครคิดหนึ่งครั้งไหนใครคิดสองครั้งอสองครั้งก็มีไหนใครคิด มากกว่าห้าครั้ง <g ül> มันมีสองอย่างว่าเรารู้ทันความคิดได้กี่ครั้งบางทีอาจจะคิดมากกว่าห้าครั้งก็ได้แต่ ร, รู้อาจจะรู้ได้แค่ครั้งหรือสองครั้งไหนใครคิดเรื่องอดีตยกมือไหนใครคิดถึงอนาคตไหนใครไม่รู้ว่าคิดอะไรออเนี่ย คนที่รู้ว่าเราคิดแต่ไม่รู้คิดอะไรเนี่ยคนเนี้ยถือว่าอันดับหนึ่งเลยนะเพราะอะไรเพราะจับต้นตอของความคิดได้พอเริ่มคิดปับ๊บพอมาขยับตัวปั๊บรู้เลยว่าคิดแต่ไม่รู้ว่ามันคิดต่อไปอะไรเนี่ยเรียกจับต้นต่อนะคนที่บอกคิดเรื่องอดีตแสดงว่าเข้าอยู่ในความคิดเรียบร้อยแล้วเ่ยโอ้คิดไปนานเลยโอ้เรื่องอดีตเปนีน เป็นเรื่องเป็นราวเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้องคิดเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าคิดอะไรหรอกแต่ต้องคิดไปสักพักหนึ่งจะรู้ว่าอ๋อนี่คิดเรื่องอันดีเราจับได้หางความคิดถ้ารู้ว่าคิดแต่ไม่รู้คิดอะไรเนี่ยจับที่ต้นตอความคิดเลยอันนี้คนนี้สติไวนะสติไวขอใหม่อีกทีได้ไหมเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราพลิกมือแล้วก็รู้สึกล่อยมันคิดขึ้นมาอย่าไปตั้งใจคิด เราจะได้รู้ทันไอตัวต้นตอของปัญหาเราคือจิตที่มันคิดเลยอย่าไปเพ่งแต่เพ่งดูนี่มันไม่คิดหรอกเหมือนอย่างเราใครเคยเลี้ยงหลานมั้งมีหลานอย่างตอนนี้ถ้าเรามองดูหลานตรงๆเนี่ยหลานมันจะไม่ดื้อไม่สซนให้เห็นเลยมันเรียบร้อยแต่พอเราทําเป็นชำเลืองชาเลืองเราจะรู้ว่านเนี่ยหลานมันเป็นยังไงนะพดัะนั้นอย่าไปเพ่งเวลามือมันเคลื่อนไหวทําแบบผ่อนคลายเล่นๆสบายๆแล้วดูที่ว่ามัน จิตมันคิดปับปดดป๊บรู้ปุ๊บจิตมันคิดปั๊บรู้ปุ๊บคิดแะรู้แค่รู้กนั้นพอละอาเต็มตัวอาสัก1ิบห้ า, าวินาทีเนี่ยอ่อัะเริ่มเลย <Yeah. S 2> ทำแบบผ่อนคลาย <Yeah. S 2> ให้รู้ทันจิตใจเราให้ได้ อ้าวเอาละะไหนใครไม่มีความคิดเลยไหนใครรู้ทันความคิดหนึ่งครั้งหน่ครั้งโอแต่ว่ามากกว่าหนึ่งไหนใครรู้ทันความคิดมากกว่าหนึ่งครั้งออมากกว่าหนึ่งครั้งไหนใครเข้าไปคิดเลยเหมดเรื่องหมดราวไม่รู้เลย <c oughs> เนี่ยไหนใครไม่ยกมือบ้าง <c oughs> เราจะรู้ว่าเราไม่คิดเลยอันนี้กืถูกกัน มีความรู้ตัวแล้วว่าเราไม่คิดเลย น, นี่ก็รู้ตัวหรือคิดหนึ่งครั้งสองครั้งเราก็รู้ตัวยิ่งเราจะคิดว่าการรู้ว่ามันคิดมากเนี่ยไม่ดีไม่ใช่เมื่อเวลามันคิดมากๆถ้ารู้ทันว่าความคิดมันคิดมากๆแสดงว่าเรามีความรู้สึกตัวมากถูกไหมคนที่มีความคิดมากแล้วก็รู้ว่าเราคิดมากนั่นแหละคือคนที่มีความรู้สึกตัวมากอยู่กับเนื้อกับตัวมากเพราะคยสังเกตได้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าคิดครังเดียวแล้วก็เก่งไม่ใช่คิดครังเดียวอาจจะคิดหลายครั้งแต่รู้ได้แค่หนึ่งเดียวเราอาจจะคิดเป็นร้อยแต่เราคิดมากรู้เป็นร้อยอันนี้เก่งกว่าแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยมีคุณภาพที่จะรับรู้รับรู้ได้ต้นตอของปัญหาก็คือความคิดนี่แหละถ้าเรารู้ทันความคิดเมื่อไหร่ก็ความคิดมันจะไม่คิดต่อเติมนะไอ้ที่มาคิดต่อเติมที่เวลาเราโกรธโกรธได้คิดไหม โกรธล้เพราะโกรธแล้วมันไม่จบแค่โกรธนะมันจะมีความคิดปรุงไม่น่าทำกับเราเห็นเราเป็นอย่างไรนี่มันดูถูกเรามันปรุงแต่งเนี่ยเราจะแก้ลําแก้แค้นได้อย่างไรดีถ้าแก้ไขไม่ได้ต้องชวนเพื่อนหาเครื่องช่วยมันคิดปรุงแต่งมากมันก็เผาสิทเผาใจเราเดือดร้อนเพอรู้ว่ามันมันโกรธตับ้บถ้ารู้ทันเมื่อไหร่ติดใจที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะตัดความโกรธจะหายไปทันทีเลย ความโกรธจะหายเลยเวลามันเกิดความคิดปุุงแต่งมากมากถ้าจิตจะรู้ทันตรงไหนเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะตัดขาดตัดขาดความคิดที่ปรุงแต่ตงต่อไปจะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือจิตใจที่ฝึกฝึกขยับกายใจรู้ทันอย่างนี้แต่ว่าจิตใจมันเข้มแข็งมีพลังถ้าจิตมันคิดปรุงแต่งแล้วถทารู้ทันแล้วก็มันจะหยุด แล้วใจก็จะมีความสุขเพราะมันไม่ปรุงแต่งต่อมันจะมีความสุขความสุขแบบง่ายๆเลยคนฉลาดเท่านั้นที่จะมีความสุขคนไม่ฉลาดนี่เวลาคิดเล้วคิดนะี่แหละไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกมันก็จะมีแต่ความทุกข์มันจะฉลาดฉลาดที่ไหนฉลาดที่จิตใจของเราแก้ปัญหาใจได้แก้ปัญหาอารมณ์ตัวเองได้รู้เต่าทันจิตใจตัวเองรู้เต่าทันจิตใจคนอื่น เอาชนะใจเราได้ด้วยการฝึกขยับกายใจรู้ทันนี่แหละคือรู้ต้องทันจิตใจเอาชนะใจได้อันนี้มันก็จะมีความสุขแบบสงบเย็นสบายแล้วจิตที่ไม่ได้คิดปรุงแต่งมากมายเนี่ยจะเอาไปคิดอะไรเนี่ยตั้งใจคิดด้วยสติของเราเนี่ยมันจะคิดแบบแยบทายเป็นระเบียบมากคิดถึงเรื่องราวที่เราได้เรียนมาแล้วเอามาทำข้อสอบอันนี้ก็ได้ มันจะแยกคายกว่าส่วนคนที่คิดฟุงสร้างความคิดออกมาเนี่ยมันจะไม่ดีเช่นเวลาเราเกิดความโกรธเราจะไปแก้ความโกรธและจิตใจที่โกรธเนี่ยมันก็ไม่หายเมื่อชีวิตมีปัญหาเอาความขุ่นข้องหมองใจไปแก้ปัญหาปัญหาไม่ถูกแก้ไขเหมือนอย่างเอาน้ําสกรปรกไปล้างสิ่งสกรปรกเมื่อเกิดปัญหาทําใจสบายๆเป็นปกติแล้วเข้าไปแก้ปัญหา มันก็จะแก้ปัญหาได้อย่างดีเหมือนอย่างน้ําสะอาดไปล้างสิ่งสกปรกจิตที่มีความรู้สึกควบคุมอยู่เนี่ยเป็นจิตที่ปกติทําหน้าที่ได้ดีมากสมมุตินะสมมุติเนี่ยยกตัวอย่างนักศึกษาเข้าห้องสอบมีนักศึกษายอยู่สามคนสมมุตินะสามคนเราตอบว่าสามคนเนี่ยเข้าห้องสอบด้วยจิตใจที่ต่างกันคนไหนจะทำข้อสอบได้ดีกว่าคนแรก จิตใจดีนคิดเก่งแล้วก็ล่าเริงคือเป็นคนที่ชอบคิดแล้วมันสนุกเป็นคนที่สนุกจิตใจชอบสนุกทำข้อสอบด้วนใจที่สนุกเนี่ยเอิดมาเจอข้อสอบอู้ข้อสอบมีเรื่องเล็กง่ายๆเนี่ยหลับตาทําก็ได้ออกข้อสอบง่ายเหลือเกินเนี่ยใจมันดีเกินไปนะเนี่ยแล้วทําข้อสอบทําแบบประมาทข้อไหนที่เอาจะตอบให้กากรบาดให้เลือกกากรบาด แต่อ่านคําสั่งไม่เพียงพออ่านไม่สมบูรณ์ไม่การกระบาดไปเติมเครื่องหมายถูกตกเลยวิจารนะั้นทำคาสั่งผิดไอเดียเขาตกเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่มีความรู้หรือเปล่าเพราะเขาขาดความรับผิดชอบมีความประมาทเลินเล่อเพราะจิตใจมันฟุ้งเกินไปฟุ้งในทางดียงเกินไปมาจนเกินไปจนลืมเกิดความประมาทนี่ประเภทแรกนะประเภทที่สอง อันนี้จิตใจเศร้าอหมองคิดมากคิดฟุ้งซ่านเสียดายอดีตกังวลถึงอนาคตมีแต่ความกังวลเข้าไปสอบเนี่ยเราไม่เคยรู้หงสือเราจะตอบได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าไปสอบด้วยจิตใจที่เศร้าหมองเนี่ยมันก็มีโอกาสตกได้ง่ายนะเพราะใจไม่ดีแต่แล้วคนที่สามคือคนที่จิตใจเป็นปกติเรียนตัวไว้เรียบร้อยแล้วทําใจใจปกติสบายสบาย ให้รู้สึกตัวเนี่ยนะจะทำข้อสอบได้ดีมากเพราะจิตใจเขาเป็นปกติใจเย็นทำแบบ ส, สบายๆเนี่ยทำข้อสอบข้อไหนทําได้ทําได้ก่อนแต่ถ้าทำไม่ได้เอาไว้ ท, ทําทีหลังแล้วก็ตรวจทานอีกทีหนึ่งไม่ประมาทอันนี้เขาจะเรียนและข้อสอบได้ดีมากใจที่เป็นปกติไม่ฟุ้งซ่านไม่เต้าหมองเป็นใจที่ทำาดดีที่สุดเลย เราจะอยู่เพศไหนดีถ้าเรามีการขยับกายใจรู้ทันแล้วก็ทําให้ใจเราเป็นปกติมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่นํำมาไปใช้ได้และไม่ใช่ว่าเฉพาะมันนั่งพลิกมือนั่งยกมือไม่ใช่ให้เราเติมเติมใจเราขนาดเดินให้รู้สึกกายเก้าเดินใจรู้กายนั่งใจรู้กายกําลังทานข้าวใจรู้ ว่ากาลังถามแล้วเกิดความอร่อยใจรู้แม่อร่อยใจรู้แล้วจิตมันคิดฟุ้งร้างใจรู้ให้คอยรู้ทันบ่อยๆเนี่ยแล้วต่อไปจิตมันจะเชื่องมันจะไม่คิดอะไรมากมายถึงคราวคิดเราก็คิดได้อย่างมีสติถึงคราวหยุดคิดก็หยุดได้ไม่ต้องเอาไปนอนไม่หลับเพราะความคิดมากมายมันควบคุมจิตใจเราได้วิธีคลายเครียดสามวิธีหนึ่งเป็นวิธีแบบธรรมชาติธรรมดา สองวิธีคิดให้มันรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจเป็นวิธีคิดวิธีสามคือวิธีการขยับกายใจรู้ทันเพื่อละลายพฤติกรรมของจิตสามวิธีในี่ไหนใครทาไม่ได้บ้างมีไหมที่ทำไม่ได้มีไหมมันต้องทำได้นะแต่มันไม่ยากหรอกขึ้นอยู่ว่าเราจะฝึกไหมวิธีแรกไม่ต้องฝึกหรอกมันทำกันอยู่แล้วล่ะทุกคนทำอยู่แล้ว ถ้าใจิตใจมันหมกมุ่นคุ้นคลิดเป็นทุกข์มันเพียดอย่าอยู่เฉยเฉยเปลี่ยนยาบทไปแก้ปัญหาไปก่อนแล้วก็ฝึกคิดมองชีวิตในแง่บวกซะบ้างแล้วก็ต้องฝึกขยับกายใจรู้ทันฝึกขยับกายใจรู้ทันเมื่อกายขยับ่แต่งเนื้อแต่ง ต, ต, ตัววิผมทาหน้าให้ใจมันรู้สึกอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่เราทําอันเนี้ยก็เรียกว่ามีความรู้เนื้อรู้ตัว ความคิดฟุ้งซ่านความเก็จจะเข้าไม่ถึงเนี่ยไม่ยากสามวิธีโดยเพราะวิธีสามเนี่ยผมเคยใช้แล้วก็เป็นประโยชน์มากเมื่อตอนสมัยที่มีปัญหาใหม่ๆมีปัญหาชีวิตใหม่ๆ เ, เมื่อร่างกายต้องมีสภาพอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตใจมันก็พลอยเศร้าหมองมีความคิดฟุ้งซ่านตับสนแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เราจะทำอย่างไร แต่ต่อมาพอนานวันเข้าเราก็รู้สึกว่าเราควรจะแก้ปัญหาตัวเองดีกว่านอนทุกเศร้าไม่อยู่ๆ อ, อะไรก็เริ่มแก้ปัญหาด้วยการฝึกการอดทนแล้วก็ฝึกวิธีคิดรู้จักยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราการยอมรับเป็นการตั้งหลักจิตใจอย่างดีรู้จักยอมรับมันพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วเราก็แก้ไขไป แล้วก็หาทางแก้ไขยอมรับหาทางแก้ไขแล้วก็คิดแก้ไขในทางบวกไว้ปัญหาแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วดีนะเรายังมีชีวิตรอดมาถ้าเราตายไปซะก่อนเนี่ยเราก็หมดโอกาสที่จะมาแก้ตัวนะเรามอมในแง่ดีไว้ก่อนเรารอดมาได้แล้วเรายังมีสติปัญญามีสมองอยู่ถึงกายเคลื่อนไหวไม่ได้แต่เรายังมีจิตใจอยู่เรานิดส่วนหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ได้เราก็เอาส่วนที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาตัวเราคิตมองชีวิตในแง่ที่มีหวังให้กำลังใจตัวเองเรายังมีพ่อมีแม่ยังมีคนที่รักเราเหรือว่าเรายังมีลมหายใจปัญหามันย่อมแก้ไขได้เสมอเราจะแก้วิธีไหนอ๋อฝึกขยับกายใจรู้ทันฝึกขยับกายใจรู้ทันเริ่มแก้ปัญหาที่จิตใจก่อนร่างกายคุณหมอช่วยไม่ได้ แต่เราสามารถช่วยใจเราได้โดยสายการขยับกายใจรู้ทันมันก็นอนพลิกมือเนี่ยพลิกมือแล้วก็รู้สึกพลิกมือแล้วก็รู้มือพลิกใจรู้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนยาบทน่ะเปลี่ยนมือซ้ายมั่งมือซ้ายมือพลิกใจเมา่อก่อนมือซ้ายยกไม่ขึ้นพอขยับไปขยับมามือซ้ายก็เลยแข็งแรงนะมือขวามั่งมือซ้ายมันบวมเมื่อเสร็จนอนที่เฉยๆกะทิบตาเล่นที่การ้ขยับกายนะขยับนะ นีกับพิษตาไม่ออกไปไหนเลยมันไปไหนไม่ได้การนอนกับพิษตาแล้วก็รู้สึกพิษตาตากับพิษใจรู้ตากับพิษใจรู้ที่ยักคิว้วอ่ะยักคิว้วคิ้วขยับใจรู้เนี่ยตอนลรกทำสองข้างอ็เปลืองพลังงานเอาทีละข้างนะอีกตรงที่ยา ก, ยากทําให้ใจเราเนี่ยมันรู้ได้งา่ายแล้วมันเมื่อเอากระดิกกูเล่นบ้างเนี่ยอหลายอย่างที่เราควรจใช้ได้มีการขยับได้แค่นี้นะ แต่ก็ยังขยับแล้วก็ใจรู้ได้แก้ปัญหาระลายพฤติกรรมทางจิตที่มันคิดฟุ้งสร้านมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตไม่ได้ตั้งหลักปั๊บมันมีวิธีคิดที่มากมายความคิดบรรเจิดเทียบแก้ปัญหาตัวเราแล้วตอนนี้นี่ใหม่ๆนั้นมันเครียดแต่พอฝึกขยับกายใจรู้สานความเครียดมันหายไปเลยตอนนี้จังหน้าความเครียดไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงพอมันเครียดมาหัวเราอยอะมันมันก็เมกล้าอะ ความเครียดเกิดที่จิตพอมันเครียดที่จิตเราพลิกวิธีคิดชี่หน้าที่ตามาเลยว่าโอ้เนี่มันเรื่องเล็กอันนี้มันไม่มีอะไรหรอกสบายใจมันก็ดีขึ้นมาใช่ไหมแค่วิธีคิดเนี่ยมันก็ช่วยได้แก้ปัญหาใจตัวเองได้นะดวยวิธีการขยับกายใจรู้ทันเพราะนั้นนักศึกษาพยาบาลเราจะเรียนเก่งเรียนดีเฉพาะวิชาชีพ หรือวิชาการอย่างเดียวนี่ยังไม่เพียงพอเพราะว่าคนที่เรียนเก่งเรียนดีนั้นยังมีปัญหาทานั่นจิตใจยังนอนไม่หลับยังเครียดยังคิดมากบางทีติดยาเสพติดถ้าเป็นนักศึกษาหญิงบางทีก็ตั้งคันในขณะเรียนก็มีอาจจะไม่ใช่ที่นี่หรอกแต่มันก็มีแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรแปลกๆในขณะเรียนหนังสือ ก็เพราะว่าจิตใจเนี่ยอ่อนแอไม่แข็งแรงเวลามีเรื่องราวมากระทบก็จิตก็หมุนเข้าไปในอารมณ์เลยเพราะว่าไม่มีหลักจิตอ่อนแอถ้าเราสามารถฝึกใจเข้มแข็งให้มีพลังในการมีสติคอยตามรู้ตัวเราเพื่อรักษาจิตให้มันเข้มแข็งรับรองว่าเมื่อจิตเข้มแข็งแล้วอารมณ์ใดก็แทรกไม่ได้ความเครียดต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้จะมีแต่ความผ่อนคลาย เพราะ้นเราต้องเรียนทางด้านวิชาการก็เรียนไปแต่อลืมเรียนรู้เท่าทันจิตใจเราบ้างจะได้เอาชนะใจตัวเองจะแก้ปัญหาชีวิตได้ในตรงที่มีความรู้สึกเท่าทันจิตใจของเราและยิ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลด้วยนักศึกษาพยาบาลเนี่เป็นผู้ที่รักษาคนไข้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรักษาตังต้งสองด้าน จะเก่งชำนาญเฉพาะวิชาชีพของเราอย่างเดียวยังไม่เพียงพอนักึกษาไปบาลจะต้องรู้จักสัจธรรมนะแก้ปัญหาจิตใจคนไข้ได้ด้วยต้องแก้ปัญหาใจคนไข้ได้ด้วยต้องสอนความจริงให้กับคนไข้คนไข้ป่วยไข้มาร่างกายรักษาไปมือฉีดยาใจสอน กำลังคีดยาปักใจโอ้หความเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเนาะชวนให้เข้ามารู้สึกกับสิ่งที่เราพูดเขาจะได้ไม่สนใจความเจ็บเลยมาโมจะสนใจของเราจดใจที่เราพูดเรื่องความป่วยไข้ธรรมดาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่มีใครป่วยตลอดชีวิตหรอกถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องตายทุกคนต้องตายเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายเรื่องป่วยเดี๋ยวมันก็หายทาใจดีๆมันช่วยร่างกายหายได้ เมื่อกายป่วยใจดีมันก็ช่วยทำให้หายนะ้มองสอนให้เขาว่าเป็นเรื่องธรรมดามีการป่วยก็มีการหายนะบอกเขาสอนเขาเนี่ยสอนแตจะทำทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีดับกันไม่มีอะไรที่เกิดตลอดเวลาทุกอย่างมีแล้วมันก็ผ่านไปทุกอย่างมีแล้วก็ผ่านไปสอนเขามือจีบยาปากก็สอนให้เขามาสนใจ ้ทำให้เขาคลายเครียดได้พยาบาลต้องใจดีใจเย็นอารมณ์ดียิยา้แจ่มใสมีเมตตากรุณาจิตใจต้องสดใสจิตใจสดใสเมื่อนังชุดขาวบริสุทธิ์ที่เราได้สวมใส่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นลูกหลานของโปลเอนนอติงเกลนะเข้าถึงจิตวิญญาณของโพเลนนอติงเกลเลยคือมีเมตตากรุณาจิตใจสดใสเบิกบาน สอนวิธีคิดให้คนไข้มีความสุขเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนจะมาเนี่ยก็มีพยาบาลจิตเวทโทรปรึกษาเจอคนไข้ที่ป่วยไข้ร้อท้อแท้อยากฆ่าตัวตายจะทำอย่างไรดีคุณพยาบาลแก้ไขปัญหาคนไข้ไม่ได้แถมเครียดต่างหากจะทํายังไงดีเขาจะฆ่าตัวตายคนไข้ก็จะตายอเราก็กํลาลังเครียด บอกไม่ไปไลหลอกรักษาใจพยาบาลก่อนพยาบาลใจท่านเองก่อนเมื่อพยาบาลใจท่านได้แล้วท่านก็จะได้พยาบาลใจของคนไข้ให้กำลังใจเขาให้กำลังใจคนไข้แล้วขณะที่ใา้กำลังใจคนไข้แล้วใจเราก็ดีด้วยฝึกให้กำลังใจฝึกแก้ไขใจเราเองก่อนเราแก้ไขใจเราได้ไงแล้วคนอื่นเราก็แก้ไขได้เหมือนกัน อย่ว่าแต่คนไข้เลยคุณพ่อคุณแม่เราญาติของเราเราก็เป็นที่พึ่งกับเขาได้บางทีไม่ต้องพูดมากแค่ยืนยันแจ่มใสเขาก็ผ่อนคลายแล้วเร่งง่ายๆเราต้องเข้าถึงจิตวิ ญ, ญญาณของคุณฟอร์เรนเนติงเกลโดยการทาจิตใจสดใสเบิกบานทาหน้าที่ด้วยจิตใจที่มีเมตตากรุณาเนาะบอกว่าการพูดคุยวันนี้นี่นะอาจจะเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างไม่มากก็น้อยนะ ก็ yeah, จับเอาไปใช้บ้าง